มองดูตาพรานใหญ่ด้วยเป็ืกายตากึ่งเหนือยชากึ่งแฝงความหมายชนิดที่เขาอ่านไม่ออกคุณเป็นคนไข้ของฉันหล่อนเอ่ยเนิร์เนิบ เ, เ, เป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวลงต่ำประสานมือกอดอกด้วยความหนาวสะทานของอากาศกลางดึกแต่คุณอวดดีกับฉันมากสั่งอะไรก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตัวเองกาลังเจ็บหมอสั่งให้หยุดพักนอนเฉยเฉยเสียสักวัน กับอวดเก่งบุก ป, ป่าออกแรงอีกเอาละเมื่ออ้างว่าจะออกสำรวจพระรักแค้นขายเรื่องไอ้แหวงก็ไม่ว่าอะไรแล้วหนอยกลับมาถึงแคมป์ยังเอาปืนจุด4 5หออกมาซ้อมยิงเป้าเล่นเห็นเป็นของสนุกกันใหญ่แรงสะท้อนถอยหลังของปืนขนาดนั้นมันกระเทือนตบบาดแผลของคุณเท่าไหร่บ้างนัดสองนัดก็ยังพอทำนานี่ยิงใหญ่อวดเก่ง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 ไม่ต้องคอยกังวลอะไรอีกคืนนี้ฉันจะสั่งให้แง่ท า, ายอยู่ยามตรวจระวังตลอดทั้งเริเนแคมป์ของเราเองเดี๋ยวจะให้แง่ท า, ายเอาอผหมมาให้อีกผืนเห็นผหมแล้วทุเรศสิ้นดีผืนเท่ากับแบะมือดำยังกับผ้าขี้ริ้วกล่าวจบหล่อนก็เดินกลับไปยังเต็นต์มีแง่ท า, ายตามหลังไปด้วยครูใหญ่อดีตนายทหารกองโจกรกะเหลียงก็เดินกลับมาที่เขาอีกครั้งหอ่อผ้าขนสัตว์ผืนใหญ่ใหม่เอี่ยมผืนหนึ่งมาส่งให้เขา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 ดีมากฝากดูแลแทนด้วยนะความจริงแกไม่จาเป็นต้องมาอยู่ยามตลอดทั้งคืนหรอกเวรอยู่ยามของพวกลูกหาบมีประจำอยู่แล้วจะพักนอนบ้างก็ได้แต่ควรหูไวหน่อยเท่านั้นสำหรับชั้นคืนนี้คงหลับเป็นตายนอนหลับให้สบายเถิดครับโปรดอย่ากังวลพรานใหญ่เอนตัวลงนอนอีกครั้งใช้ผ้าขสัตว์ที่บริจาคมาให้โดยนายจ้างสาวคนสวยคลุมทับผ้าผยของเขาอีกชั้นหนึ่ง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 เหลือแต่ฐานแดงวับแวมบริเวณแค้มรอบด้านแลเห็นเป็นภาพสลัว ร, รางตะคุ่มตะคุ้มอยู่ทั่วไปทางปลายเท้าของเขาร่างเป็นเงาทรรมนของแง่ส า, ายยืนอยู่ที่นั่นมือขวาถือไรเฟิลมือซ้ายมีไฟฉายแปดท่อนกำลังใช้กาดไปมาออกไปยังลาวป่าอันมืดมิดดุพินขยับตัวขึ้นในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนพอดีกับที่ใบหน้านั้นหันมาทางเขาพอดี ตาของหนุ่มกระเลี่ยงพนเนจรผู้รูกรับที่แลประสานเขาเป็นประกายประหลาดอยู่ในเงามือดอันคุมเครือก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเช่นไรแง่าสายก็เคลื่อนเข้ามาใกล้มองเห็นกันได้ทั้งนัดดวงหน้าสีทองแดงเป็นเงามันระเรื่อมนั้นมีแววกังวล อ, อึดอัดใจเร่นรับผู้กองไม่ได้หลับหกหรือเสียงของแง่าสายแหบต่ำแผ่วเบาฉันตื่นเดี๋ยวนี้เองมีอะไรผิดปกติหรือ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 เขาสบตาแงซายอีกครั้งยิ้มขึ้นลึมอืมจริงของแกประสาทสัมผัสของแกดีมากแง่ซายฉันเองก็ไม่ชอบความเงียบแบบนี้เหมือนแกเหมือนกันมันทําให้เราต้องอึอดอัดกวนกวายยังไงพิบกลแต่ป่ามันก็อาจนอนหลับได้เหมือนกันนี่นะแล้วแต่จังหวะเวลาของมันผมสังเกตมาชั่วโมองเต็มเต็มแล้วมันเริ่มเงียบเช่นนี้มาตั้งแต่ผู้กองล้มตัวลงนอนครั้งแรก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 นั่งคลุมผ้าสับ ป, ปะงกอยู่ดิมกองไฟด้านหนึ่งจันเป็นเวรสำหรับอยู่ยามผัดสองคืนนี้แต่เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงมานี้เองเขาฝากยามผมไว้บอกว่าง่วงเต็มทีตอนนี้ก็หลับไปแล้วรพินขมวดคิ้วนิดหนึ่งแต่แล้วความพิศวงคลางแครงของเขาก็ถูกอำนาจของความง่วงเหงาอิดโอยเคลื่อนเข้ามาบดบังเสียหนังตาทั้งคู่จะปิดสีให้ได้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 แต่รพินง่วงเสียจนหมดความสนใจเอนตัวลงนอนตามเดิมหลุบหมวกลงมาปิดหน้าเสียเพียงอึดใจเดียวเขาก็หับสนิทเพราะอำนาจยานอนหลับของแพทย์หญิงหม่อมราชวง์หญิงดารินวราลิศเวลาผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศอันแสนที่จะสงัดเงียบเยียบเย็นเสียงบางร้องแทรกมาตาดมดึกยาวเยือกครั้งหนึ่งฟังประดุษเสียงร้องควรวญครางของผู้ผีปีศาจ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 ขนาดชามกะละมังย่อมย่อมเหมือนมีใครเอาดวงไฟมาทาบอยู่บนหลังคาเต็นท์ด้านนอกและแสงนั้นผ่านผ้าใบเข้ามาหญิงสาวลืมตาโพรงพยายามเพ่งจ้องจับอยู่ที่ดวงแสงนั้นทั้งท่าที่เปลือกตาทั้งสองท่วงหนักเต็นที่ร่างกายทุกส่วนหนักอึ้งไปหมดกระดิดกกระดี่ไม่ได้ราวกับเป็นเหน็บชาหรือความรู้สึกแบบผีอัมมันเปล่งแสงวาววูบแดงร่ง อ, อยู่อึดใจก็หลีหายไป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 ร่างของลูกหาบคนหนึ่งนอนตัวคูตะแคงสีสับพาพอยู่กับย่ามส่วนตัวเหนือกระสอบป่านที่ปูรองไว้เป็นชายร่างใหญ่วัยประมาณ30สปีตาทั้งสองปิดสนิทรักษณะเหมือนนอนหลับเว้นไว้แต่ว่าไม่มีลมหายใจและร่างกายเย็นชืดเหมือนท่อนหินร่างนั้นไม่ปรากฏร่องรอยของบาแดแผลใดๆทั้งสิน้นรพินซุดตัวลงอย่างรวดเร็วเอื้อมมือไปขยับจะพิกกลางนั้น แต่มือของใครคนหนึ่งในจํานวนคณะนายจ้างของเขาคว้าไหล่ของอย่างกระทันหันกระชากยับยั้งไว้เดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่ต้องศพเจ้าของมือและเจ้าของเสียงห้ามคือหม่อมราชวงศ์ดารินวราริศผ่านใหญ่ชะงักตามคําสั่งนั้นทันทีพอจะเข้าใจในบัตรนั้นว่าการห้ามของนายจ้างสาวคงจะเนื่องมาจากเหตุผลทางแพทย์เกี่ยวกับการชนสูตรนั่นเอง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 แววตาเคร่งขรึมสอแววเสียใจนั่นไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นผลมาจากยารละงับประสาทและยานอนหลับอย่างแรงที่ฉันให้คุณเพื่อต้องการให้พักผ่อนดารินบอกโดยเร็วมองดูเขาด้วยแววตาแสดงความเห็นใจเป็นครั้งแรกชัยยันเอื้อมมือมาจับแขนพลานใหญ่บีบเป็นธรรมดาระพินเมื่อคืนนี้คุณจับ่ายไม่สไม่สบายเพราะพิษบาดแผล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 หลับทั้งๆ ท, ที่เตือนตัวเองอยู่ทุกขณะว่าจะไม่ยอมหลับแงซ า, ายรับตามตรงด้วยเสียงห้าวอาถรรพ์อันเป็นนิสัยเป็นการเผลอหลับอย่างไม่ทันรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้ปลุกจันทร์ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนยามตามคำสั่งของผู้กองเล่าถึงเหตุการณ์บริเวณแคมป์เท่าที่แกรู้เห็นก่อนหลับซิแล้วปินซักมาโดยเร็วเมื่อผู้กองหลับไปแล้วผมออกไปเดินรอบๆ บ, บริเวณเหตุการณ์ปกติดีทุกอย่าง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 ผมบอกกับผู้กองว่าผมได้กลิ่นจางๆบอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรแต่รู้สึกว่ากลิ่นจะคล้ายดอกลำเจียบมันเหม็นและหอมปนกันยังไงไม่ทราบหญิงสาว ม, มิ้มริมฝีปากแน่นเบิกตาโตจ้องหน้าแงสายอยู่เช่นนั้นกลิ่นที่แงสายบอกมันน่าจะเป็นกลิ่นเดียวกับที่ลอยมาสัมผัสจมูกของหลอนเมื่อคืนนี้เองก่อนหน้าที่จะพล่อยหลับไปอย่างสลบสลายขณะที่แง่ายบอกกับคุณว่าได้กลิ่นชนิดนั้น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 ที่ซ้อขอด้านซ้ายมือของศพปรากฏเป็นแว่นเขียวครั้มวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองนิ้วถ้าไม่สังเกตแทบจะมองไม่เห็นเพราะเกลืนกับผิวของศพซึ่งเป็นคนครั้มอยู่แล้ววงกลมเขียวนั้นขยายขึ้นมาเล็กน้อยและใจกลางเป็นตุ่มแดงๆปรากฏอยู่ตุ่มหนึ่งลักษณะคล้ายมดหญิงสาพิจารณาโดยรอบคอบอยู่อุดใจใหญ่จึงพยักหน้าให้ทุกคนดูต่างคนต่างมองดูตากันเองไปมา